รับอรหันต์ที่จำพันษาอยู่ในชายขาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพ่อ บรรดานในทานสีขาวเรื่องคนเก็บใบไม้น้ำหมู่บ้านเชิงเขาแห่งหนึ่งมีทานน้ำใสไหลลงมาจากภูเขาใหญ่ทานน้ำแห่งนี้มีความสวยงามมากทุกๆวันจะมีนางหง์แสนสวยบินร่อนลงมาเล่นน้ำให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็นทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมนางหง์เล่นน้ำเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นชาวบ้านก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากทา น, น้ำแห่งนี้เพื่อการดารงชีพอีกด้วยนานวันเข้าหัวหน้าหมู่บ้านก็สังเกตเห็นว่าหมู่บ้านของตนมีรายได้จากนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากจึงได้ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดูแลลำทานในหมู่บ้านให้มีความสวยงามอยู่เสมอนักท่องเที่ยวจะได้เกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวอีกเรื่อย เราต้องสร้างห้องน้ําสะอาดๆไว้ให้นักท่องเที่ยวใช้นะได้สิเอาเงินไปสร้างห้องน้ําสะอาดได้เลยเราต้องสร้างศาลาพักหลายๆหลังให้นักท่องเที่ยวไว้พักผ่อนด้วยได้สิเอาเงินไปสร้างศาลาพักหลายๆหลังได้เลยเราต้องสร้างร้านอาหารด้วยนะนักท่องเที่ยวจะได้มีอาหารอร่อยๆกินแล้วชาวบ้านก็จะมีรายได้ด้วยดีๆเอาเงินไปสร้างร้านอาหารได้เลย ห้องพักหล่ะจาเป็นเหมือนกันนะได้สิเอาเงินไปสร้างห้องพักเผื่อมีคนค้างคืนด้วยเอาให้ใ ห, ใหญ่ๆไปเลยประธานคณะกรรมการเห็นด้วยทุกประการตามที่ได้รับการเสนอในบรรดาคณะกรรมการนั้นมีประกรซึ่งเป็นกรรมการที่มีอายุน้อยที่สุดร่วมประชุมอยู่ด้วยเขานิ่งฟังกรรมการคนอื่ น, นเสนอให้สร้างสิ่งต่างๆในหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวอยู่เป็นเวลานานในที่สดุดจึงเอยขึ้นมาบ้างว่า เราควรจะจ้างคนงานให้ขึ้นไปกวาดใบไม้ที่ต้นน้ำบนภูเขาด้วยนะครับทุกคนมองประกรณ์เป็นตาเดียวกันเพราะข้อเสนอของประกรณ์ฟังดูไม่ยิ่งใหญ่เหมือนของคนอื่นๆจำเป็นด้วยหรอประธานคณะกรรมการถามอย่างลังเลจำเป็นครับทาะที่ต้นน้ำมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นเวลาที่มันผลัดใบจะมีใบไม้ร่วงหล่นมาในแม่น้ำมากมายและไหลมาถึงลาธารในหมู่บ้านของเราด้วยทาให้น้าไม่ใสและสกระปรกได้ครับ แต่ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอย่างที่ว่านี่ก็ที่มันไม่มีปัญหาก็เพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ยังมีไม่มากและไม่ใช่ฤดูใบไม้ผลิบางครั้งชาวบ้านที่ลงไปอาบน้ำในลำธารก็ช่วยกันเก็บใบไม้ขึ้นมาทิ้งบ้างแต่ต่อไปเมื่อหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชาวบ้านก็คงไปเล่นน้าที่ลาธารแห่งนั้นบ่อยๆไม่ได้เหมือนแต่ก่อนและที่สาคัญต้นไม้บนเขาก็หนาทึบขึ้นทุกทีนะครับ ประธานคณะกรรมการคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงบอกว่าเอาเอก็ได้จ้างคนงานกลุ่มหนึ่งให้ขึ้นไปเก็บใบไม้ที่ต้นน้ำทิ้งก่อนที่มันจะไหลลงสู่ลำธารก็ได้ ปกรณ์ดีใจมากเขาขันอาสาเป็นหัวเรียวหัวแรงในการดูแลความสะอาดของต้นน้ําบนภูเขาทันทีเวลาผ่านไปการก่อสร้างสิ่งต่างๆในหมู่บ้านก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างลาาําธารใสๆมีนางหงูงใหญ่มาเล่นน้ําเพิ่มมากขึ้นทุกทีทําให้นักท่องเที่ยวยิ่งเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างล้นหลามจนกระทั่งปลายปีงบประมาณที่ตั้งไว้เริ่มติดขัด คณะกรรมการหมู่บ้านจึงต้องมาประชุมหารือกันอีกครั้งเพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านของเราดําเนินต่อไปได้เราจําเป็นต้องหาทางออกด้วยการตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปประธานคณะกรรมการหมู่บ้านบอกในที่ประชุมจะให้ตัดอะไรล่ะครับห้องน้ําสะอาดตัดไม่ได้อยู่แล้วนักท่องเที่ยวต่างก็ชมว่าห้องน้ําที่เราทําสะอาดที่สุดศาลาพักผ่อนที่เราสร้างก็ได้รับคําชมเชยวิแพาก์กันนะครับ ร้านอาหารก็ต้องอยู่ต่อไปเพราะนักท่องเที่ยวชมว่าหมู่บ้านของเราทำอาหารอร่อยโรงแรมทิ้งยิ่งทิ้งไม่ได้ใหญ่ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากมายต้องการเข้ามาพักค้างคืนในหมู่บ้านของเราประธานคณะกรรมการพูดอย่างหนักใจว่าต่างคนก็ต่างไม่ยอมให้ตัดงบประมาณในโครงการของตัวเองออกไปแล้วตกลงเราจะตัดงบประมาณตรงส่วนไหนได้ล่ะนี่ประกรณั่งมองคณะกรรมการคนอื่นๆด้วยความหวั่นใจ แล้วในที่สุดสิ่งที่เขากลัวก็เป็นความจริงเมื่อทุกๆคนในที่นั้นแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าให้ตัดงบประมาณของปะกรทิ้งไปเพราะเป็นโครงการที่ไม่มีความจําเป็นมากที่สุดไม่นะครับงบประมาณส่วนนี้จําเป็นที่สุดเราจําเป็นต้องจ้างคนงานให้ขึ้นไปทำความสะอาดต้นน้ำไม่อย่างนั้นน้าในลาธารจะสกระปรกเพราะต้นไม้บนเขาแน่นขนาดขึ้นทุกที ปรกรณ์พยายามแย้งอย่างเต็มที่แต่ไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาเลยทุกคนมองข้ามโครงการของปรกรณ์ไปเพราะพวกเขาไม่เห็นว่าการเก็บใบไม้จะมีความสลักสำคัญอะไรเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆเสียใจด้วยนะคุณปรกรณ์ประธานคณะกรรมการพูดขึ้นในที่สดุดเงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้พวกคนเก็บใบไม้กินงบประมาณในส่วนอื่นๆของเราไปมากจริงๆเราจาเป็นต้องระงับโครงการของคุณ เพื่อนําเงินไปใช้ในโครงการอื่นที่เห็นผลชัดเจนกว่าปรกรณ์จาต้องยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และเฝ้าภาวนาขออย่าให้สิ่งที่เขาคิดไว้เป็นความจริงเวลาผ่านไปสิ่งก่อสร้างต่างๆสร้างเสร็จตามกําหนดนักท่องเที่ยวต่างก็หลั่งไหลเข้าเที่ยวชมนางหงในทานน้ําใสเป็นจํานวนมากจนกระทั่งย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิต้นไม้ใหญ่บนภูเขาก็ปิดใบลงสู่แม่น้ําเป็นจํานวนมาก น้ำในลำธารของหมู่บ้านจึงเริ่มขุ่นและสกปรกไปด้วยเศษใบไม้และเพียงไม่กี่วันเศษใบไม้เหล่านี้ก็เน่าเปื่อยทำให้น้ำเน่าเสียฝูงนางหงส์ที่เคยมาบินเล่นน้ำเป็นประจำค่อยๆหายไปและไม่แวะเวียนมาอีกเลยแม้แต่ตัวเดียวเมื่อไม่มีนางหงส์และธรรมชาติที่สะอาดนักท่องเที่ยวก็หายไปชาวบ้านเองก็เดือดร้อนเพราะไม่มีน้ำสะอาดใช้ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโรคระบาดที่มากับน้ำไม่สะอาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกด้วยหัวหน้าหมู่บ้านเห็นความเสียหายของหมู่บ้านดังนั้นจึงเรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสืบหาสาเหตุสำคัญโดยด่วนผมตั้งพวกคุณขึ้นมาและมอบเงิประมาณก้อนใหญ่ให้นำไปพัฒนาหมู่บ้านของเราและดูแลลำธารให้ใสสะอาดน่าท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมทุกอย่างถึงกลับตลกปัดไปหมดบอกผมเมื่อหน่อยสิ หัวหน้าหมู่บ้านถามยังมีอารมณ์ประธานคณะกรรมการกล่าวอย่างสำนึกผิดว่าเป็นเพราะพวกเราเขาเองครับท่านหัวหน้าพวกเราไม่เชื่อปรกรณ์สั่งระงับโครงการของเขาเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่น่าจะสำคัญอะไรหัวหน้าหมู่บ้านพูดว่าปรกรณ์อายุน้อยก็จริงแต่เป็นเด็กฉลาดพวกคุณไม่น่าดูถูกความคิดของเขาแล้วหันไปถามปรกรณ์ว่าไหนบอกมาสิปรกรณ์เกิดอะไรขึ้นกับลำทารของหมู่บ้านเรา ทั้งที่มันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนปรกรณ์ตอบอย่างอ่อนน้อมว่าเรียนท่านหัวหน้าเพราะปีนี้ต้นไม้บนภูเขาเจริญเติบโตดีกว่าปีก่อนๆในฤดูใบไม้ผลิจึงมีใบไม้ร่วงลงสู่ลำธารมากเป็นพิเศษแต่ก่อนเราจ้างคนงานขึ้นไปกวาดใบไม้ที่ต้นน้ำทำให้ลาธารของเราหมู่บ้านเรายังใสสะอาดอยู่ได้แต่เมื่อคนงานถูกเลิกจ้างไม่มีใครขึ้นไปกวาดใบไม้ พวกมันจึงพากันไหลมาอุดทางระบายน้ำเกิดการหมักหมมและทำให้น้ำเน่าเสียอย่างที่เห็นอยู่นี้ครับแล้วคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรหัวหน้าหมู่บ้านถามต่อปรกรณ์ตอบว่าเราจำเป็นต้องจ้างคนมากวาดใบไม้เช่นเดิมครับแต่คงต้องเพิ่มจำนวนคนกวาดขึ้นอีกสัก3ามสี่คนจึงจะทำให้ลำธารของเรากลับมาสวยใสและเป็นที่โปรดปรานของเหล่านางหงอย่างเดิมได้ นอกจากนั้นเราก็ควรจำกัดนักท่องเที่ยวลดความหรูหราของสิ่งก่อสร้างลงคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้ให้มากที่สุดไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่เหลือสิ่งเดิมๆที่ดีๆเอาไว้ดูเลยนะครับปรกรณ์พูดถูกทีเดียวหัวหน้าหมู่บ้านปรบมือให้ปรกรณ์อย่างเห็นด้วยแล้วหันไปบอกคณะกรรมการคนอื่นๆว่าอย่าดูถูกว่างานที่แลดูต่ำต้อย ไม่มีคุณค่าเสมอไปแค่คนเก็บใบไม้อยากคิดว่าไม่สำคัญจำไว้ให้ดีนะว่าเพราะมีพวกเขาจึงทำให้หมู่บ้านของเรามีน้ำที่สะอาดใช้และเราก็ไม่ต้องมาเจ็บไข้ด้วยโรคระบาดอย่างทุกวันนี้คณะกรรมาการทุกคนเห็นด้วยกับประกรณ์และหัวหน้าหมู่บ้านพวกเขารีบหาคนขึ้นไปทำงานเป็นคนเก็บใบไม้บนภูเขาและให้ค่าตอบแทนอย่างงาม ดังนั้นในเวลาไม่นานลำธารของหมู่บ้านก็กลับมาใสสะอาดดังเดิมฝูงนางหงกลับมาเล่นน้ําที่นี่อีกครั้งนักท่องเที่ยวก็พากันมาชื่นชมธรรมชาติที่นี่อีกชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะการทำงานของเหลาคนกวาดใบไม้บนภูเขาโดยแท้เธอทั้งหลายคนบางคนเมื่อได้ดีมีชื่อเสียงเงินทองแล้วมักจะเสียนิสัย แบ่งแยกหน้าที่การงานต่างๆเอาเองว่างานไหนดีงานไหนไม่ดีงานไหนมีเกียรติงานไหนไหร้เกียรติงานไหนหน่ายกย่องงานไหนสมควรมองข้ามทั้งๆที่งานซึ่งถูกแบ่งแยกเหล่านั้นล้วนเป็นของคนซื่อสัตว์สุจริตและหลายครั้งก็เป็นงานคนละประเภทกันโดยสิ้นเชิง ผู้ที่ดูถูกงานของคนอื่นว่าต่ำ ต, ต้อยด้วยค่านั้นควรต้องตั้งคำถามกับตนเองว่าถ้าไม่มีคนที่ตนดูถูกช่วยทำงานเหล่านั้นให้แล้วตนเองจะสามารถทำงานเหล่านั้นเองทั้งหมดได้หรือและไม่ควรลืมด้วยว่าถ้างานเหล่านั้นไม่มีคนสะสางเลยจะเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองมากแค่ไหนหรือหากว่าเธออยู่ในกลุ่มของคนทางานซึ่งมักถูกผู้อื่นมองว่าต่าต้อยก็อย่าได้เสียใจ คืนชื่อว่างานแล้วย่อมมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดเราต้องทำงานของเราให้เต็มที่เพราะนั่นคือหน้าที่ของเราและหน้าที่ก็คือเครื่องมือพิสูจน์คุณค่าในตัวเราด้วยจําไว้เถิดว่าเราห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้หากเขาคิดจะดูถูกเราก็ปล่อยเขาคิดไปช่างเขาเพราะเขาไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับชีวิตของเราแต่สิ่งสาคัญที่สุดนั้นอยู่ที่ตัวเรา คือเราต้องไม่ดูถูกตัวเอง